อาหารค่ำกับองค์กรนิรโทษกรรมสากลวันหนึ่งอาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำซึ่งองค์กรนิรโทษกรรมสากลจัดขึ้นเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของปติญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาตามาได้ตอบจดหมายไปดังนี้เรียนคุณจูเลียอาตามาได้รับจดหมายของโยมที่นิมนต์อาตามาไปร่วมรับประทานอาหารค่ำในโอกาสครบรอบห้สปีของปติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในวันเสาร์ที่ส0สิพฤษภาคมศนีด้วยความขอบคุณอาตมารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาตมาเป็นพระสงฆ์สายเทรวารซึ่งเข้มงวดในเรื่องของวินัยน่าเสียดายว่าวินัยสงห้ามพระฉันอาหารตั้งแต่เที่ยงวันจนกว่าพระอาทิตย์ จะเริ่มฉายแสงในวันรุ่งขึ้นเป็นอันว่าการรับประทานอาหารเย็นจึงเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสิ่งต้องห้ามรวมถึงไวน์ด้วยหากอาตมาตอบรับคำเชิญของโยมอาตมาก็จำเป็นจะต้องนั่งอยู่โดยมีแต่จานเปลา่าและแก้วเปลา่าเฝ้าดูคนรอบๆข้าง รับประทานอาหารอย่างอร่ อ, รอยอร่อยซึ่งอาตมาเชื่อแน่ว่าจะต้องมีรสชาติเป็นเลิศมันคงจะเป็นการทรมานในรูปแบบหนึ่งสำหรับอาตมาซึ่งองค์กรเนิรโทษกรรมสากลของโยมคงจะไม่เห็นชอบด้วยเป็นแน่นอกจากนั้น ในฐานะประสงค์อาตมาไม่อาจรับเงินทองหรือครอบครองเงินทองได้อาตมาดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะอยู่ในกลุ่มจนสุด ข, ของประเทศดังนั้นถึงจะฉันได้อาตมาก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าอาหารค้ามมือนี จริงๆแล้วอาตมาสามารถจารณัยต่อถึงปัญหาที่พระสงค์เช่นอาตมาจะต้องประสบเรื่องเครื่องแต่งกายซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับงานแต่อาตมาคิดว่าเท่าที่แจ้งมานี่ก็มากเกินพอแล้วอาตมาจึงต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่อาตมาไม่สามารถไปร่วมรับประทานอาหารค่ยได้ ด้วยความยากจนอันสุขยิ่นพร้อม